ดูจิตก็ไปเพ่งจิตอีกไม่ใช่ว่าดูจิตจะต้องเป็นวิปัสสนาเสมอไปนะจิตบางดวงเอาไว้ทาสมถะจิตที่ไปรู้ความว่างกับจิตที่รู้ความไม่มีอะไรเนี่ยจิตคู่นี้เอาไว้ทำสมถะทำได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานะคู่นี้จิตดวงอื่นๆให้เราตามดูลงไปแดีวพอจิตว่างๆกับจิตไม่มีอะไรเราจะเพ่งเอาง่ายต่อการเพ่งเป็นสมถะ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 เราฟังทีแรกอ่านทีแรกเราคิดว่าเป็นเรื่องทางร่างกายทั้งหมดเลยอย่างทำตัวให้ประกอบไปด้วยกามก็ต้องไปดูหนังฟังเพล ง, งกินเหล้าเมายาอ hey, นะไรเฮฮาไปจีบสาวจีบหนุ่มอะไรอย่าง้ถึงจะเรียกว่ากามเรามองแต่ของหยับๆยับนะเสร็จแล้วเราก็มาบอกท่านห้ามไม่ให้มีการบังคับตัวเองเราก็ไปนึกว่าอัตฉริยะมัธานิโยกนะ คือการไปนอนบนตะปูน ะ, ะยืนขาเดียวกลั้นลมหายใจอะไรเงี้ยพระพุทธประวัติไปพูดเรื่องนี้เอาไว้คล้ายๆพูดเอาไว้ก่อนแล้วมันไปไกด์ให้เรารู้สึกตามว่ามันเป็นเรื่องทางร่างกายทั้งหมดเลย mm. แต่ก่อนนี้ยังสอนกันด้วยแต่ก่อนเนี้ยจะบวชเนี้ยท่านเป็นเจ้าชายเห็นไหมเหมือนท่านเสวยการ ม, มาสุขมากมายเลยแล้วก็วาดภาพในใจเราเ น, นี้เนี่ยต้องเป็นเสวยทางกายนะ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 ลืมสนิทเลยอยู่ๆจิตมันดับไปเฉยๆพูดเรื่องอะไรอยู่ก่อนหน้านั้นล่ะนะสัญญามันดับนะมันดับเอาให้ดูง่ายๆอย่างนั้นเนะพอดีมันใจมันแวบไปหลวงปู่ทาท่านบรณภาพไปแล้วหลวงปู่ทาอยู่ปากช่องนะนี่พระดีที่สุดอีกองหนึ่งนะ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 พุทโธอย่างเดียวนะก็ถึงนิพพานได้ที่แรกพูดเรื่องพุทโธใช่ไหมหลวงปู่ล่าบอกพุทโธอย่างเดียวก็นิพพานได้ถ้าฟังแบบนักอภิธรรมฟังบอกเป็นไปไม่ได้พุทโธเป็นคําบริกรรมได้แต่สมถะแต่ถ้าเราพุทโธเป็นนะเราพุทโธแล้วเราดูใจไปพุทโธเล่นๆไปอย่างนั้นพุทโธเป็นแบกกล่าวเพราะโดยธรรมชาติใจของเราเนี่ยคิดตลอดเวลาห้ามมันไม่ให้คิดไม่ได้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 เวลาเราขึ้นภูเขาเราจะรู้สึกเส้นทางที่เราเลือกเนี่ยดีที่สุดแล้วพอขึ้นไปยอดเขาเฮ้ยคนแย่ๆเลยเขามาทางไหนก็ไม่รู้มองลงไปรอบๆตัวว่ามันขึ้นได้รอบทิศ ท, ทางเลยขอให้ทิศ ท, ทางมันถูกเท่านั้นแหละอยากขึ้นยอดเขาอย่าลงเหวไปเรื่อยๆก็แล้วกันแค่ทิศ ท, ทางให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็แล้วกันนั้นทิศ ท, ทางก็คือหลักทำคาสอนของพระพุทธเจ้าเดินอยู่ให้ตรงหลัก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 เราเหงื่อไม่บ่อยครับก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวว่าโกรธครับเพราะว่าโกรธแต่ไม่คยรู้ว่าโกรธผ่านไปแล้วสิบนาทีจะรู้ครับเออเหรอรู้นานเป็นนิดนึงนะไม่ใช่ว่าถ้ากิว่ารู้ว่าเผงือยิงเดียวเผงอแล้วรู้อย่งเดียวนี้อาจจะเห็นําได้ไหมครับได้ถ้าเผงอปุ๊บรู้นะเผงอแล้วก็รู้นะไม่ใช่เมื่อวานเผงอวันนี้รู้นะเผงอแล้วก็รู้เผงอแล้วรู้แค่นี้ก็พอที่จะเห็นทำได้แล้วครับแล้วจะเห็นในเวลารวดเร็วด้วย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 สมาสมาธิก็คือใจมันตั้งมั่นเป็นแค่คนดูไม่ใช่ผู้เพ่งผู้จ้องไม่ยากนะง่ายง่ายตอนนี้จิตเป็นยังไงตอนนี้จิต เ, เพ่งครับเพ่งเอเอเลิกสิเลิกซะไป เ, เพ่งเป็นทำไมล่ะก็มันเก่งไงครับก็บอกว่ากลัวว่าจะไม่ดีครับเออเนี่ยทำไมต้องกลัวไม่ดีก็ อ, อยากจะดี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 ที่ฝึกอยู่นะจริงๆใช้ได้แต่ติดเข้งแรงไปนิดเดียวเท่านั้นแหละที่ทําอยู่นะดีแล้วละ่ะก็ให้ปล่อยให้เผลอไปแล้วก็ดูเอาเองเออเผลอแล้วรู้บ่อยๆนะอย่า ก, กลัวเผลออย่ากลัวไม่ดีปล่อยมันไปเลยอาคุณต้องหลวงพ่อคะอยากเรียนถามว่าวิหารธรรมเนี่ยเริ่มต้นด้วยความจงใจแล้วมันก็ผิดไปเลยหรือเปล่าคะ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 มันซึมซึมะค่ะมันสลับกันแบบซึมซมแล้วไปกดเอาไว้ใช่ค่ะซึมซึมเศร้าเศ้ า, าแล้วก็มีตัวหนึ่งตรึงเอาไว้ออนั่นแหละดูได้ละเอียดนะนดูได้ละเอียดเพราะขาะเวลารู้ก็จะมีสุขขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วมันก็กลับไปเหมือนเดิม อ, อีถ้าสติมันเกิด น, นะมันมีความสุขขึ้นมาเฉยขึ้นมาขอบคุณรบสคล้ายๆกันมไม่คล้ายนะมันมีแบบ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 จะฝันดีหรือฝันร้ายเราเลือกไม่ได้เนี่ยจิตมันจะทำงานอัตโนมัติตงเนี้แล้วแต่บุญหรือบาปมันจะให้ผลหลวงพ่อเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะญาติญาติผู้ใหญ่แกตายเมื่อไม่นานเนี้ยตอนก่อนจะตายเนี่ยชอบไปสาราลุงชินไปเป็นปีๆหลายปีนะไปทำบุญกับล้วงปูเลียนอะไรเงี้ยทำอย่างอื่นไม่เป็นภาวนาไม่เป็นตอนเจ็บหนักเนี่ยทุรนทุรายทุรนทุรายพวกลูกลูกหลานๆนนัะ่กลัวว่าจะไปอบาย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 อย่าไปกังวลที่ฝึกมาเนี่ยเหลือเฟือแล้วเนะพราะงั้นสมมติรถจกควําตายมีเวลาไม่กี่วินาทีนะสบายต้องไปกลัวหรอกอาคุณหมอหมอคมสันก็ <c oughs> มีปิติครับแล้วก็ตอนนี้มีความสุขอืมดี <ขอ S 1> นะเ <ขอ S 1> วลาจิตมีปิติเนี่ยจะเป็นพลังนะคุณหมอมันจะฟอกกายเราด้วยมันมีรังสีของจิตที่ฟอกกาย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 เราจะอยู่กับพุทธโธก็ได้ท่องพุทธโธไปหรือเราจะรู้กายก็ได้ร่างกายเราเนี้ยทำหัวยุกยุกยุกเงี้ยเราก็รู้สึกมันยิ้มเราก็รู้สึกอะไรก็คอยรู้สึกรู้สึกอยู่ที่กายแต่ไม่เพ่งกายเห็นได้ร่างกายมันยิ้มไปนะใจเราเป็นคนดูเหมือนตอนที่ทําโยคะที่ว่าแทนที่จะต้องทําเฉพาะตอนที่ทําโยคะนะอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี้ยสวมหัวใจเหมือนเราทําโยคะอยู่อย่างนี้เลย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 ดังนั้นธรรมะจะเข้าถึงจิตถึงใจได้เนะี่ยฟังเอาไม่ได้ต้องไปเห็นของจริงหนูก็เลยตั้งใจว่าก็ให้มันทําค่ะแล้วดูว่ามันทําได้ไหมเออนะดูไปจะได้รู้สึกอืมกูจะดูมึง <laughs> นะเสร็จแล้วว่าเกิดกูอีกแหล <laughs> ะ อ, อ้าวเชิญมึงทํางานไปทีนี้กูจะดูมึงลูกเดียวแล้วนะ <laughs> คือเหนื่อยมากเอ๊จะทําอะไรก็ไม่มีอะไรถ้าวันไหนเหนื่อยมากนะไหว้พระสวดมวนต์ทําความสงบค่ะนะ สมัทฐาเป็นที่พักผ่อนพอพักผ่อนแล้วมีเรี่ยวมีแรงสบายใจแล้วมาตามดูต่อก็เพิ่งทราบว่าตัวเอง เ, อเดินจงกรมไม่เป็นเจ้าค่ะ ท, ที่มีเวลาไปเดินตอนเช้าในสวนสาธารณะนะเจ้าค่ะจนพี่ตุลมาสอนเดินเจ้าค่ะว่าเดินยังไง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 อ้าวเก่งวันนี้รู้สึกอึดอัดเหมือนกันครับนั่งใกล้คุณจูมัง้งไม่รู้เหมือนกันครับ <c oughs> แต่รู้สึกอึดอัดเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> แต่ปกติไม่ค่อยได้เป็นอย่างนี้ครับก็ดูเหมือนไปวันนี้คนเยอะครับ <c oughs> บางคนภาวนาแล้วจิตมันเร็วจิตมันไวถ้าไปนั่งตรง ม, มุมเจอเอนักเพ่งบางคนนะไม่ใช่คุณจูนะ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 หมายถึงว่ามันไปหมายรู้แบบผิดๆที่สะสมมาจนเคยชินมันสะสมความเคยชินว่ามีเรามีเราสะเสร็จแล้วมันก็หมายขึ้นมาว่าเรามีอยู่แต่พอหาเข้าจริงๆหาไม่เจอจริงๆไม่มีค่อยดูไปอ้าวคุณจุ๊จุ๊รู้สึกว่าตอนแรกคิดว่าแต่ยังไม่จุ๊จุ๊ดิบาบบมนๆนะ <laughs> <laughs> มนๆแต่ไม่กลมทีเดียวไม่เหลี่ยม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 เมื่อกี้ตอนหลวงพ่อพูดถึงน้องแปมมาเจ้าค่ะยมก็เห็นมันตัวอิจฉาหรือตั ว, อ, ตวอะไรมน้นพุ่งไปขอ้นมาแล้าก็แบบแล้วก็คือตอนนี้จะสังเกตเห็นตัวนี้บ่อยขึ้นเพราะว่าบางทีคนที่เรารักแท้ๆเจ้าค่ะเราก็จะเห็นหนะครั้งนี้น้องก็น้องรักก็พอเห็นแล้วมันจะมีเมื่อกี้มันจะเศร้าเจ้าค่ะมันจะเศร้าอีดีที่เราเห็นนะถ้าไม่เห็นเราก็ถูกมันหลอกไปเรื่อยๆดีแล้ว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 พยายามอย่าไปขัดใจคนแก่ใครดูแลให้เขาสบายใจไว้เอเขาสบายใจแล้วเราก็ทำความดีอะไรเราก็ไปบอกให้เขานุโมทนาไว้ ช, ชวนทำบุญชวนอะไรงั้นไปนะถึงเวลาเราก็ไหว้พระสวดมนต์อะไรเนี่ยให้เขาเห็นแล้วก็มีความสุขให้เขาเห็นค่อยๆฝึกไปให้ใจเขาคุ้นกับอารมณ์ที่เป็นกุศล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 แข็งแข็งอย่างตอนนี้มากไปมากไปไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายรู้สึกไหมแข็งแข็งเครียดเครียดคือบางครั้งอย่างเช่นเราเราจะจงใจหลับตาหรือจงใจจะนั่งสมาธิอะไรเงี้ยถือว่าเป็นการบังคับตัวเองมากไปไหมครับก็ถึงเวลาทําเราก็ทํานะแต่เวลาเราจะทําสมาธิเราทําใจสบายแล้วก็ค่อยรู้ไปเลยถ้ามันขี้เกียจก็บังคับมันขึ้นมาทํา